อันซีนอย่าง โ, โ, โรคๆโถกระจอกงอกง่อยไปนะเจออะไรมาหน่อยหนึ่งบอกอันซีนจะเจอนิพพานเรารู้เลยโอ้โหนี่สิของจริงๆนะไม่มีขันไม่มีธาตุไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีความไม่มีอะไรมีแต่ความสุขล้วนๆนะทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหายไปไหนเที่ยงด้วยเนะี่ยเราอยากให้ร่างกายจิตใจเที่ยงมันไม่ยอมเที่ยง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 ถ้าเป็นฝ่ายชั่วเขาเรียกว่าอากุศลจิตทำไมไม่เรียกมหาอากุศลก็ไม่รู้นะที่กุศลแล้วเรียกมหามหากุศลจิตพออกุศล น, นะดูถูกหน่อยๆเรียกว่าอากุศลจิตทะารหันนะไม่มีมหากุศลจิตไม่มีอกุศลจิตมีสิ่งที่เรียกว่ากิริยาจิตแต่มีมหาด้วยใสยมหาอีกแล้วชอบเรียกมหากิริยาจิต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 หลวงพอ่อยังไม่ใหญ่เลยมันใหญ่กว่าหลวงพอ่ออีก <c oughs> เพราะมันสั่งหลวงพอ่อได้ต้องการอะไรมันสั่งด้วยสายตา <c oughs> มีอยู่คราวนะตอนนั้นอาร์ยังไม่บวชกูบาอยังไม่บวชอยู่สวนโพกันเช้าวันหนึ่งอาร์ آ, ไปทอดไข่เจียวอยู่ที่นากุติแม่ชินุนยังไม่บวชเหมือนกันทอดไข่เจีย ว, วฟูเชียเหลืองมันเดินมา <c oughs> เดี๋ยวจะต้องให้มันอันนี้ใหญ่ๆเงี้ย <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวก่อนต้องถวายพระก่อนมันก็รอนะพาถวายพระมาแล้วแม้ชีก็แบ่งมานิดหน่อยเอามาคลุกข้าวให้มันมันมองเนี้ยนะใจมันเสียศักดิ์ศรีให้แค่ให้แค่เนี่ยเหร อ, อาวาดภาพไว้อันใหญ่หมาก็คิดเป็นนะหมาก็มีมาน้าตานะเพราะงั้นใครมานอาตาแรงอย่าภูมิใจนะ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 การที่ใจหนีไปนานเพราะไม่มีวิหารธรรมวิหารธรรมเนี่ยก็ดูในสติปัฏฐานจะเอาอะไรก็ได้นะกายเวทนาจิตธรำเอามาเป็นวิหารธรรมของรินดูความอยากกินขนมก็ได้อถ้าใจเราชอบขนมนะแล้ว เ, เราบ้านเราขายขนมด้วยนี่ร้านรินชาเชียงซาวนะชื่อรินะดังนะร้านเนี้งั้นรินใช้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 เรียนธรรมะอย่าเครียด น, นะเรียนไปสบายๆฟังฟังไปด้วยใจที่ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกไปจิตใจเป็นยังไงก็คอยรู้ไปด้วยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมคิดด้วยตื่นเต้นด้วยอ่าใช่ได้คิดรู้ว่าคิดตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นท่องประโยคนี้ได้ไหมจิตเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นจไปไหนึ่งประโยคนะ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 ฉันไม่ใช่เธอเธอก็ไม่ใช่ฉันนะเห็นไหมมันร้องเพลงได้เองแต่ที่กวนประสาทที่สุดนะั่คือเวลามันร้องเพลงวักเดียวร้องซ้ําอยู่วักเดียวแบบเป็นเคยเป็นไหมประสาทจะกินรําคาญแล้วก็ขึ้นมาอยู่แล้วก็เออร้องอยู่วักเดียวอะ่ะแล้วก็นักแต่งเพลงสมัยใหม่ที่ให้วัยรุ่นฟังอะ่ะก็คงจับกลไกตรงนี้มื่อว่าจิตมันชอบร้องเพลงวักเดียว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 คนรรู้ยังไงใช่คะแบบรู้อย่างที่เขาเป็นนี่แหละรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ตัวข้างบนที่ว่าใสาๆเนี่ยนะยังไปประคองไวน้นิดหนึ่งดูไม่ออกจ้คะค่ะอย่างรักษามันไว้เนี่ยหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะจะทำแบบโอเวอร์แอคชั่นนิดหนึ่งนะเพื่อจะได้ดู อ, อจะไปประคองไว้ข้างบนหน่อยๆพ่อดูออกไหม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 มันโล่งมันสบายแล้วก็มันรู้สึกว่าอ๋อนึกถึงคำที่แม่ชีคือบอกว่ามันธรรมชาตินะนึกถึงพี่เต่งนึกถึงคุณชัยแล้วมันก็แต่มันพอสักสามสีวันมันก็กลับมาเหมือนมังค่าเพียงการเข้าใจเข้าใจที่คุณหลวงพ่อบอกพี่นินเมื่อกี้ค่ะอืมดีแล้วลอาแมวค่ะคิด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 ก็เลยพยายามรู้แล้วก็รู้สึกบางอย่างมันเป็นความรู้สึกอะคะ่ะก็รู้ <G ül> สึกไปตามที่เป็นใช่รู้สึกไหมใจเราโล่งขึ้นสบายขึ้นมันไม่ค่อยมีทุกข์เท่าไหร่แต่ก็พยายามดูว่าไม่ใช่เราหลงเว้ย <G> ก <ül> <G ül> <G ül> ็ใครรู้ทันนะถ้ามันหลงกับความสุข <G ül> ค่ะแล้วก็ตัวกิเลสอะค่ะอย่างโทสะโลภะอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจางลงแล้วก็แต่ว่าตัวโมหะนี่มันยังมีแต่ว่ามันกลายเป็นหลงคิดเป็นเรื่องเหมือน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 งั้นถ้าเรารู้สึกตัวเร็วเร็วเ ว, เวาคาโทรศัพท์ก็อ่อนลงเรืเร่อยๆอ่ะไปส่งตอบไปมีป่ะขออนุ ญ, ญาตครัไม่ทราบมีอะไรต้องแก้ ไ, ไข<า> ไ, มไม่ต้องแก้นะรู้ลูกเดียวเลยกำลังดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ให้มันเสียขอบคุณค่ะใจถึงถึงรู้กายรู้ใจตื่นเต้นค่ะหลวงพ่ออืมนี่หมอคุกไก่ป <ขา S 1> ่ะค่ะเออเป็นไงต<อ>ื่นเต้นอะไร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 เ อ, อวันก่อนวันนี้ดีกว่าวันก่อนที่มาดีกว่าดี <c oughs> มีหน่าวันนี้นะรีบฟ้าใหม่ด้วย <c oughs> มั่นใจนะถ้าวันไหนไม่ค่อยดีนะ <c oughs> คือคือช่วงก่อนนะคะซึมซึมแล้วพอไปตามรูกายปุ๊บอะค่ะ <c oughs> เหมือนกับว่าตามรูกายแค่วันแรกค่ะจิตใจเหมือนมันมีกําลังจนแบบอยากจะออกไปวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วมันก็เห็นสภาวะเออ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 ครับจะได้ทิ้งตัวนั้นไปครับมัน<อ>ติดติดตัวนั้นมานานแล้วครับจาทุกครั บ, รบอ่ะไปเชิญ